ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านทุกฝั่งทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีปฐุมในวันนี้คงเป็นคาถาของพระอนุรุทธธีรคต่อไปในวันก่อนได้พูดถึงในประเด็นที่ว่าพระบุมีภากเจ้าส่งอดก ร, รั้นเวทนาด้วยพระไทยที่เบิกบาน ก็เมื่อพระผู้มียภาคเจ้าผู้เป็นดวงประทีปของโลกพร้อมทั้งเทวโลกเสด็จดับขันทปิธิพานแล้วความพ้นพิเศษแห่งพระไทยได้มีขึ้นแล้วก็ต่อไปความว่าบัดนี้ทมเหล่านี้พึงมีสัมผัสเป็นที่ห้าของพระมุนีเจ้าได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่เมื่อประสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จรับขันธพิิตรพานแล้วจิตและเจตสิกเหล่าอื่นจกไม่มีอีกต่อไปเป็นการอธิบายถึงสภาวะของนิพานในส่วนหนึ่งขณะที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ยังทรงไปชนอยู่นั้นสัมผัสทางประสาทสัมผัส คือได้เห็นรูปฟังเสียงดงป่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องยนร้อนอ่อนแข็งก็มีอยู่เป็นธรรมดาแต่ก็มีอยู่อย่างไม่ด ไ, ไ, ไ, ไม่ไม่ยึดมั่นถือมั่นหมายความว่าผัสสะนั้นไม่ได้นำไปสู่เวทนาเพราะว่าไม่ทรงยินดีหรือยินร้ายมันก็มีก็แต่กลางกลางคือศัพ่์เวทนา ปัญญารู้เท่าทันตามความเป็นจริงว่าเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่จะสัตบุคคลตัวตนเราเขาแต่ประการใดเมื่อเวทนาดับอุปาทานก็ดับตัณหาก็ดับอุปาทานก็ดับแล้วมันก็นำไปสู่การดับภพบวนประเด็นต่อไปท่านจึงกล่าวว่า ในเมื่อพระสมาสุพุสตธเจ้าเสด็จ ด, ดับขันธพินิพานแล้วจิตและเจตสิกเจตสิกในขณะนั้นก็คือคกุศลเจตสิกส่วนอกุศลเจตสิกก็ดับไปแล้วดับไปนานแล้วต้องไปสัตรุเจตสิกที่เป็นอะยากฤต จิตพวกสัญญาพวกเวทนาพวกปัจส ะ, ะอะไรต่ะต่างๆมันก็สักแต่ว่าสัญญาสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าปัจสะสักแต่ว่าอารมณ์แต่ว่าจิตที่ประกอบด้วยนิพพานนั้นยังอยู่เพียงแต่ว่าไม่มีกิเลสเป็นเหตุไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์โลกทั้งหลาย ในขณะที่ชาวโลกก็มีความยินดียินร้ายแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่มีทั้งยินดียินร้ายแล้วก็มีชื่ออย่างอื่นก็ได้จากไม่มีอีกต่อไปหมายความว่าเจตสิกทั้งหมดเนี่ยก็ดับหมดแหละเพราะว่านิพพานพระจิตก็ดับแต่เจตสิกนั้นเป็นสิ่งที่ปรุงจิต มันไม่มีที่ปรุงเพราะจิตดับไปแล้วตอนนี้เขาเรียกว่าอนุปาติเสสนิพานคือดับทั้งกิเลสแล้วก็ดับทั้งเบญจขันธ์ก็คือขันธ์ทั้งห้าประการแต่เราจะเห็นว่าจะไม่มีการพูดถึงนิพานในลักษณะเป็นภพแต่ว่าก็พูดในฐานะเป็นภูมิ คือพูดในระดับจิตก็เรียกว่าลูกุตรภูมิแต่ไม่มีพบคือสถานที่ที่ไปอุบัติหลังจากนิพานไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราจะเห็นว่าเมื่อเวทนาดับอุปาทานตันหาดับอุปาทานก็ดับอุปาทานกับตันหานั้นเป็นกิเลส เวทนานั้นเป็นเจตสิกแต่ว่าติดไม่มีกิเลสเป็นเครื่องปรุงประจันานพบจึงไม่มีไม่มีทั้งบุญทั้งบาปนะละบุญละบาปได้เป็นกุญญาปาป่าไ ป, าปานโนมวนพบต่อไปก็ไม่มี เป็นการดับโดยไม่มีเชื้ออีกต่อไปก็เลกพูดถึงเรื่องพบไหนๆแต่ว่าการที่มีพระกล่าวอ้างได้พบเห็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นรูปนิมิตนะได้หมายความว่าในความรู้สึกนึกคิดของเราเราก็มีจินตนาการนะฮะก็ อ, อยากจะเห็นพระพุทธเจ้าคนเมื่อจิตสงบไอ ความดำดิที่มันสะสมอยู่ภายในจิตมันอเกิดผุดขึ้นมาได้แต่ก็เป็นเพียงนิมิตเป็นการกาหนดหมายว่าจิตได้เดินมาถูกทางแล้วเท่านั้นเองแต่ยังไม่ถึงจุดหมายปราทางแล้วถ้าไปยิกไปยึดติดแล้วก็จะไปใหญ่ัน อาจารย์ทนิต ย, ยู่โพได้เคยเขียนไว้ในหนังสือเรื่องนิพพานท่านเล่าถึงบวงพ่อรูปหนึ่งท่านพอประมาณสักสามทุ่มท่านก็ดับไฟหมดคิกุติเดี๋ยวเข้านั่งสมาธิประมาณสีห้าทุ่ม ก่จุดไฟสว่างเป็นอย่างนี้เป็นปกติท่านเองหรือคนอื่นก็ไม่ทราบที่ไปถามว่าทำไมจากชว่วงนั้นถึงชว่วงนั้นดวงพ่อดับไฟทุกคืนแล้วก็เปิดสว่างชว่วงนั้นท่านบอกว่าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่อายตนานิพการมาพอสอบถามว่าพระพุทธเจ้า รูปร่างเป็นยังไงก็เหมือนกับพระพุทธรูปในโบสถ์รรับสั่งได้ไหมก็ไม่ได้รับสั่งอะไรแต่รูปพ่อทำอะไรบ้างก็ไม่ทำอะไรเราก็นั่งมามองที่พระรูปแต่ก็ถึงเวลาก็ถอนจิตกลับทำอย่างนี้ทุกวัน ก็เราจะเห็นว่านั่นก็เป็นอุปทานที่สร้างขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดการยึดติดพราะเข้าใจว่าตนเข้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วแล้วความพยายามที่จะก้าวต่อไปก็ไม่เกิดนะเพราะบอกพรา พ, พ, พระไปคิดวถึงแล้วอะมันก็ไม่เกิดถามว่าดีไหมมันก็ดีระดับหนึ่งอ่ะ ดีกว่าระดับที่ศีลก็รักษาไม่ได้ธรรมะก็ปฏิบัติไม่ได้แต่ท่านก็ได้สมาธิแต่ก็ติดอยู่สมาธิที่มีเขาเรียกว่าความหลงมันไปสอบตกที่สัมปชัญญะข้ออสามโมหะสัมปชัญญะคือปัญญาที่กระจัดความหลง แต่นั้นก็ยังขจัดความหลงไม่ได้แล้วก็ยึดติดก็เป็นพุทธุ ป, ปาทานคืออุ ป, ปาทานในพระพุทธรูปทีนี้ปัญหาว่าพระพักจะไายองค์ไหนพระพุทธรูปพระพักไม่เหมือนกันก็ตอบว่าเหมือนกับติวัดของท่านอะ มายความว่าท่านปักใจฝังใจในพระพุทธรูปองค์ใดมามากอายุก่อนท่านก็ไปเห็นในลักษณะอย่างนั้นก็เป็นความดีระดับหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรตาหนิแต่ว่าควรจะศึกษาต่อไปเพราะว่าประการสําคัญนั้นมันอยู่ที่มิบุคคลสงบมันไม่ใช่อยู่ที่ได้เห็นพระพุทธรูป ปรตูรูปไม่ต้องหลับตาแล้วเห็นได้เยอะเลอย่างในวัดบวร น, นี่ก็เยอะเคยนับกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะว่าจะมีสักกี่สิบรูปหรืออาจจะเป็นร้อยนะฮะทางองค์เล็กองค์น้อยนะาบางวัดนี่ก็เยอะอย่างที่พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนี่เยอะจริงๆ มาอยู่ที่นั่นอยู่หลายปีแต่ว่าก็ไม่เคยนับนะฮะว่าเท่าไหร่ก็เรียกว่าเป็นร้อยๆเด็ดการปฏิบัติก็เรียกว่าปฏิบัติตามลําดับศึกษาโดยลําดับปฏิบัติโดยลําดับบรรลุโดยลําดับท่านก็ไปถึงระดับสมาธิ แต่ก็ยังลงสมาธิอยู่ยังลงนิมิตอยู่ยังยึดติดในมินิมิตอยู่วันพระอรุทธพระอาราหารันท่านอธิบายลักษณะของพระพุทธเจ้าหลังปรินิพานเราจะเห็นว่าสัมผัสธรรมเหล่านี้ซึ่งมีสัมผัสเป็นที่ห้า ของพระมุนีเจ้าได้สิ้นสุดลงแล้วหมายความมารูปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะหรือว่าเราจะนับจากตรงนี้ก็ได้นะฮะอวิชาสังขารวิญญา น, นามารูปนับจากนามารูปนามารูปวิญญา น, นะฮะิญญา น, นามารูปอายตนะปัสสะ เด่นนับจากสังขารแต่ว่าจริงๆมันก็เน้นไปที่อายตนาภายนอกอเอเน้นที่อายตนาภายในนะฮะตาหูจมูกลิ้นกายตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกุมก ล, ลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็สัมผัสที่ห้า ในเมื่อพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเสด็จตับขันติมิพานแล้วจิตและเจตสิกเหล่าอื่นจักไม่มีอีกต่อไปเพราะาแนวอญตนะนิพานก็ดีแนวสุขาวดีก็สุขาวดีพุทธเกษตรก็ดีแนวพุทธภูมิก็ดีแนวอมิตาภาพพุทธเจ้าก็ดี ก, ก็เชื่อก็เชื่อไปเถอะระว่ายอย่างน้อยที่สุดก็ได้อนุสติ จะได้ถึงสมาธิแต่ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่นิพานในพระพุทธศาสนาก็ที่จริงจะพูดว่านิพานในพระพุทธศาสนาก็ไม่เจอนิพานมันก็มีนิพานเดียวแต่นั่นเองเพียงแต่มันมาจากอริมัชมยองแปดประการอริมัชมยองแปดประการก็มีอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนาแล้วมันไปผูกพันเชื่อมโยงกับ ร, รันตนกรัย หมายความมันจะต้องศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในไตรสิกขาตัวเรียมากนะั่นคือไตรสิกขาแล้วก็คือตัวพระธรรมนั่นเองแลในการยึดโยงกันเนี่ยเราต้องยอมรับว่าต้องมีด้วยกันขาดไปอันหนึ่ง อ, อันใดอันหนึ่งไม่ได้เช่นว่าการทำบุญเนี่ย เราต้องเห็นกิเลสมันลดลงกรรมะมันเพิ่มขึ้นมากหรือน้อยไม่รู้เราเห็นความทุกข์ลดลงความสุขเพิ่มขึ้นยาวหรือสั้นก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าจิตเราจะเหนียวอ า, อารมณ์นั้นได้นานขนาดไหนถ้าเนหนี่ยวอารมณ์หลดนั้นไว้ได้นานๆความสุขมันก็อยู่ได้นานๆตึก น, นขึ้นมามันก็เกิดปิติปาโมท ข้อต่อไปรัศส n ่งบา r ทัานกล่าวว่าดุกอนเทวดาบัดนี้การอยู่ต่อไปอีกด้วยอำนาจการอุบัติขึ้นในหมู่เทพย่อมไม่มีหมายความ่าพระพุทธเจ้าคือท่านยกตัวอย่างพระพุทธเจ้านะพระทนตอนนั้นท่านยังไม่อนุปาทิเศ ส, สนิพาท กานอุบัติในหมู่เทพนิกายในชื่ออะไรก็ไม่รู้แหละแต่มันไม่มีพระพุทธเจ้าพระหานั้นก็ดับแบบไม่มีเชื้อเลยเหมือนกับไฟดับนี่เราก็ถามว่าดับแล้วไปไหนละ่ะการดับนั้นได้เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าไปที่ไหนนี่มันพูดไม่ได้ ไม่สามารถจะบ่งชี้สถานที่เป็นอยู่ของไฟที่ดับแล้วได้เพราะมันเป็นการดับโดยไม่มีเชื้อที่จะให้อยู่ว่าเป็นแวมอยู่ที่ไหนสัใด ท, ที่ใดที่หนึ่งนี่มันไม่มีนี่ก็อธิบายนิพานแต่ว่าพึงสังเกตว่าลักษณะของนิพานทั้งหมดที่ท่านอธิบาย แต่ละคนในสามัญชนที่มีสำนึกดีพอสมควรก็สามารถสัมผัสได้จะ ก, กี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้แหละคือสัมผัสได้เพราะธรรมะเหล่านี้ถ้าเราสัมผัสไม่ได้เลยนี่เราอยู่ไม่ได้หรอกเป็นโรคจิตประสาทกันหมดแล้วแหละนิพานมันจึงเป็นผลสูงสุดของสรรพชีวิตทั้งหลายในโลก จากการเกิดเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายแล้วก็ตายแล้วไม่เกิดยุติการเกิดในสังสารวัตรวงล่องสังสารวัตรก็หยุดนะเพราะว่ากิเลสก็ดับผลของกิเลสก็ดับก็เรียกว่ากิเลสกรรมวิบากกิเลสก็ดับกรรมก็ดับผลของกรรมมันก็ไม่มีเพราะว่ามันดับไปแล้ว เหมือนไฟที่ดับไปอย่างสิ้นเชิงเนี่ยความร้อนมันก็ไม่มีอีกแล้วกิเลสที่ดับไปจากใจก็มีลักษณะอย่างนั้นชาติสงสารสิ้นไปแล้วชาติคือความเกิดในกำเนิดต่างๆเกิดในคันก็ดีเกิดในไข่ก็ ด, เก ด, กดีเกิดในสิ่งสกปรกก็ดีหรือเกิดโดยผุดขึ้นก็ดีมันไม่มีการเกิดเพราะไม่มีผู้เกิด ผู้เกิดนั้นเป็นสมมติที่ถูกสร้างขึ้นโดยกิเลสกับกรรมก็กลายเป็นนามารูปอ่ะทีนี้กิเลสกรรมมันดับมันก็กลายเป็นไม่มีตัวตนที่จะเป็นวิญญาณวิญญาณก็ดับวิชาดับสังขารดับวิญญาณดับอา้าวดับแล้วนามารูปมันก็ไม่เกิด พนามรูปที่จริงเป็นส่วนประกอบของอวิชาสังขารวิญญาณพวกนี้เป็นผู้สร้างขึ้นเหตุที่สร้างมันไม่มีตัวผลก็ไม่มีก็กลายเป็นการดับอย่างสิ้นเชิงการมุ่งวนในสังสารวัติโดยกระแสของกิเลสกรรมบิบา ถ้าเรามามองจากกวิชปฏิจจสมุบัติสายเกิดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันดับไประเนระนาดไปเลยอวิทยานดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณดับนามารูปดับนามารูปดับอายตนะกดับอายตนะดับปัสสาก็ดับปัสสัดับเบทนาดับเบทนาดับตัะหาดับตระหัดับอุปทานดับอุปทานดับภพดับภพดับชาติดับ พอไม่มีการเกิดไอสรามรณะโสกะบริเทวะทุกขะโทมานอตะอะไรต่างๆนับไปเติมมันไม่มีสักอย่างเลยแต่เขาอาศัยชื่อในขณะที่อวิชาสังขารยังมีอยู่แต่ว่าตอนนั้นที่จริงเนี่ยเมื่ออวิชากับสังขารก็ดับแล้วยอย่างอื่นมันก็ดับไปแล้วนะฮะกระดับไปแล้วไม่มีแล้ว ขอาศัยโครงสร้างเดิมโครงสร้างที่เป็นที่รับรู้กันเราก็จะเห็นว่ากระบวนการนี้มันถูกตัดถูกตัดไปตั้งแต่อวิชากับสังขารนึ่งเปนตใหญ่เนี่ยไม่สร้างไปสรินที่วิญญาณมันก็จบไปส่วนที่วิญญาณที่ปรากฏในภาพลักษณ์ต่างๆมันดับไ ม, ไม่ใช่ดับคือมันไม่เกิดอ่ะมันไม่เกิดเพราะเหตุให้เกิดมันไม่มี เราพูดว่ามันดับก็ไม่เชื่องแต่ต้องอาศัยภาษาสมมุติช่วยในการสื่อสารแต่การพูดถึงชีวิตที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เราก็เรียกมันครบชุดอย่างนั้นเป็นการให้เห็นว่าริงทั้งหลายมันเป็นกระบวนการเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยหลักเหตุปัจจัยรองปัจจัยประกอบเราก็จะเห็นว่าพอนามรูปมันมีเนี่ยอยายตนะก็ดีผัสสะก็ดีเวทนาก็ดีมันเป็นปัจจัยประกอบแสดงถึงความมีอยู่ของนามรูปตนาวปาทานั้นมันมีพื้นอยู่ภายในใจแล้วภพมันก็มีอยู่ภายในใจแล้ว แต่ว่าชาติชรามรโสกาเปเทวทุกขโทมนัสมันก็เป็นเครื่องประกอบของภพเป็นเครื่องประกอบของชาติน ะ, ะเป็นเครื่องประกอบของชาติมันก็มีได้ไปเรื่อยๆ อ, อย่างชีวิตรเราที่ระจน์ปัญหาต่างๆอยู่เวลานี้มันก็มีเยอะนะฮะมันเป็นปัจเจกประกอบไม่ใช่ปัจเจกหลักแล้วท่านก็บอกว่าบัดนี้ไม่มีการเกิดขึ้นอีกต่อไป ก็ตรงกับที่รับสั่งแก่พระปัญจวคีว่ายานันจกปณามดัศนัางอุดป า, าดิก็เลยานได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าอายมันติมาญาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนติดานิปุณภพ บ, บูพบใหม่หรือการเกิดใหม่เนี่ยไม่มีอีกต่อไปพบมันก็หมายถึงสองอย่างนะฮะอย่างหนึ่งก็คือบุญบาป เรียกสังขารภพบุญบาปตลอดถึงอเน็นชาที่เป็นต้นเหตุให้บังเกิดทีนี้การเกิดมันก็เป็นชาติชาตินั้นก็คือนามรูปเป็นผลรวมของอวิชาสังขารวิญญาณในช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นผลรวมของ ตัณหาอุปาทานแล้วก็พบนะฮะเป็นผลรวมของตัณหาอุปาทานพบก็ทั้งสองอย่างเหมือนเดิมนะฮะเราจะเห็นว่าตัณหาก็เป็นกิเลสอุปาทานก็เป็นกิเลสพบในที่นี้ส่วนที่เป็นเหตุนั้นก็เป็นกรรมส่วนที่เป็นผลก็คืออุปติภพสถานที่ควรจะเป็นเกิดกรรมมาพบรู ป, ปรพบอ ร, รู ป, ปรพบ แต่ไม่มีโลกุตระพบชั้นสูงสุดนะฮะแต่ว่าช่้นปะโสดาตากทาคานาคานะก็ยังมีพบอยู่เพราะไรเพราะกิเลสเป็นเหตุไปสู่พบอย่างไม่หมดท่านก็ต้องไปอยู่ประการต่อไปบอกว่าพิษุใดรู้แจ้งโลกเทวโลกพร้อมทั้งพรห ม, มโลก ซึ่งมีประมาณพันได้ในเวลาครู่เดียวหมายความว่าพักเดียวเนี่ยรู้หมดเลยรู้แจ้งโลกโลกมันก็หลายโลกนะฮะพูดกันแต่ว่าโลกในที่นี้หมายถึงพบเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ก็เรียกโอกาสสโลกโลกคือแผ่นดินสังขารและโลกโลกคือสังขาร โอกาสสโลกโลกคือแผ่นดินสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์แต่ละอย่างนั้นมีความเกี่ยวเนื่องขึ้นกันมาความโอกาสสโลกเป็นที่อาศัยของสัตวโลกสังขารเป็นองค์ประกอบย่อยของสัตวโลกสัตวโลกเป็นองค์รวมของสังขารโลกแล้วก็อาศัยอยู่ในโอกาสสโลก ก็แล้วแต่จะหยิบมาพูดในประเด็นใดผู้ถึงจะรู้จักอุปฏติภพก็คือดวงจั ก, กรดารากาทั้งหลายดวงดาวทั้งหลายในสากลละวิภพนี่กันจะเห็นได้ใน ท, ทันทีเมื่อกำหนดจะเห็นท่านก็ได้ยินได้ใน ท, ทันทีเมื่อกำหนดจะฝังนั้นแสดงถึงคุณสมบัติ แล้วท่านใช้ท่านเปลี่ยนจากพระพุทธเจ้าแล้วนะฮะมาเป็นภิกษุพูดง่ายๆว่าพุทธบริษัทอาจจะพูดว่าสัมมาทิฏิบุคคลนะสัมมาทิฏิบุคคลที่พัฒนาไปถึงจุดหนึ่งก็จะเหมือนกันนะฮะวันนันจึงเป็นเอ ก, เอกาญนมามะคือทางอันเอกทางที่ไป ทางเดียวกันแต่ว่าไปได้จะพาอตัวเองทางนั้นก็แสดงไว้ที่มาสติปัฏฐานสูตรมาสติปัฏฐานสูตรก็อริยสัจสีนั่นแหละมันเป็นเรื่องเหมือนกับสัมผัสนี้แหละสัมผัสตาหูจมูกินการใจของเราที่สัมผัสอารมณ์ นั่งกินข้าววงเดียวกันก็ต่างคนต่างกินต่างคนต่างรู้รสต่างคนต่างรู้กลิ่นต่างคนต่างอิ่มต่างคนต่างรู้สึกอร่อยไม่อร่อยแต่แยกกันเด็ดขาดแตเนื่องเฉพาะตัวคนเ่านั้นก็ตามหลักสรรทิติโกคือผู้บรรล้จะพึงเห็นได้เองนั่นเองประการต่อไปภิกษุนั้นเป็นผู้ชำนาญในคุณคือฤทธ ฤทธิ์นี่แปล ว, ว่าความสำเร็จแต่ที่จริงฤทธิ์มันมีเยอะนะฮะฤทธิ์นี่มันมีเยอะอเรียกปุญยวตโตอิทิคือคนบางคนเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยบุญของตัวเองบางทีก็เป็นเรื่องกรรมเจตวกรรมเป็นกาเนิดนกบินได้ไสรเดือนอยู่ใต้ดินกบจำศีลนะมีในทางยุโรป กินอาหารแล้วอยู่เป็นหลายๆเดือนโดยไม่ต้องกินอีกหลวงูบางชนิดวงังก่อนก็ดูงูก็บอกว่าเขาหายใจทีเดียวนะฮะเขาหายใจทีเดียวเนี่ยเขาอยู่ได้ตั้งหลายสิบซุ้มโผล่ขึ้นมาหายใจเหนือน้ําทีเดียวแล้วก็ไปอยู่ใต้น้ำเนี่ย ง, งูทะเลก็เรียก ง, งูทะเลนั่นก็เป็นความสมําเร็จโดยกําเนิดของเขา ว, ว่าเราทําได้หรือเปล่าเราทําไม่ได้ เพราะอะไรเพราะเราไม่ใช่ ง, งูทะเลมันต้องเป็นแล้วจึงรรทําที้กระบวนการเหล่านี้ก็เรียวกว่าเป็นทำ ม, มีมีทําเป็นเป็นมีทำเนี่ยคือหลักการสําคัญว่าเราต้องการจะเป็นอะไรจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเราให้ชัดเจนเสียก่อนว่าเรามีคุณธรรมเหมาะสมแก่การเป็นอย่างนั้นหรือไม่ แต่สัตว์โลกมันประกอบปรวัติปัญหาคือความอยากเป็นเพราะในวงการต่างๆเราจะเห็นว่าคนที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมแก่การเป็นอย่างนั้นแต่ก็ใช้ดิวิธีได้นนรนขวนขวายเพื่อจะเป็นประเทศต่างๆเป็นอันมากที่ถูกปกครองด้วยกองทัพกองทัพไม่ได้เรียนมาในฐานะผู้บริหารแต่เรียนมาในฐานะผู้ระเด็จการ ต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟังผิดใช้ความคิดเองไม่ได้ก็ได้แต่ครับผมครับผมแต่พอไปบริหารข้าวเนี่ยเราจะเห็นว่ามันคนละเรื่องกันเลยมันคนละเรื่องกันเพโอกาสที่จะประสบความสาเร็จจึงมีได้ยากมากก็ที่เห็นเนี่ยเช่นปาร์คกุงฮีนะเป็นนายพลของเกาหลี โยไอเซนฮาว์อย่างเงี้ยที่ประสบความสาเร็จในฐานะที่เป็นนายทหารผู้ใหญ่มาก่อนแต่บริหารบ้านเมืองแล้วประสบความสาเร็จหรือว่าประธานาธิบดีโดเนเซียอินโดนีเซียคุณปัจจุบันเนี่ยท่านก็เป็นทหารเป็นพลเอกนะฮะแต่ท่านเป็นปัญญาเอกคือท่านเรียนมาในสายบริหาร แล้วท่าก็บริหารปิดและบริหารชาวบ้านไม่ใช่บริาาหารทหารบริหานประชาชนไม่ใช่บริาาหารทหารทหารเราไปแสดงความเป็นเพื่อนไม่ได้มันเหลืงทหารผู้ใหญ่ไปแสดงความเป็นเพื่อนกับทหารผู้น้อยเนี่ยมึงดีมก็เหลืองแต่การรัศดรเนี่ยเราต้องแสดงความเปิดเพือนเพ่าะมันจะต่างกันดีเลยมันจะต่างกัน ดังนั้นคุณสมบัติเพื่อความเป็นที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่ ม, มีถามาถ้าท่านจะเป็นได้ไหมท่านก็ต้องพัฒนาตัวเองต้องพัฒนาตัวเองแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือพอกเกษียณแล้วต้องไม่มียศต้องเป็นสามัญชนแบบสหรัฐอเมริกาเนี่ย ก็เป็นมิตเตอร์ธรรมดารอยนี้เป็นตัวอัตตานะฮะเป็นตัวอัตตาที่ขวางเอาไว้มองก็ดืดเป็นลูกแถวหมดเลยนะผู้ก็ะตันเหล่านี้แล้วพูดยากไงกมองก็ดืดเป็นลูกแถวลแล้วก็ต้องใช้อารมณ์ต้องเชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาในทำงานร่วมกับทหารมานานนะงานตับดาส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปศ .2527 เป็นต้นมาเราก็ทำร่วมกันทุกปีแต่เราก็สังเกตนะฮะสังเกตว่าท่านมักจะออกเป็นรูปคำสั่งแล้วคนอื่นต้องฟังแต่พอไปประชุมกับประชาชนปรากฏว่า ป, ประชาชนก็กเถียง ก็คัดค้านท่านก็รู้สึกตัวว่าเวลานี้ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาเขาท่านก็ปรับตัวได้เราก็ทำงานกันมาได้ด้วยดีพอสมควรทีนี้เมื่อมีแล้วเนี่ยเมื่อพัฒนาคุณสมบัติจนมีแล้วเราก็เป็นเป็นแล้วก็ต้องทำตามฐานะที่เราเป็นไอนี้เรื่องใหญ่เลย พระวิชาความรู้ในตำรากับภาคบริหารเนี่ยมันบางทีมันต่างกันคือเขาเขียนมาจากต่างประเทศอะแล้วเราก็ไปยึดถือคล้ายๆกับเป็นประกาศิทิจากสวรรค์ว่าต้องบริหารอย่างนี้บริหารอย่างนี้มันฝืนกระแสของสังคมซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปโลกธัรม วิชาการต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปเพราในสามคำนี้เลยต้องพัฒนาเรื่อยมีเป็นธรรมธรรมมีเป็นเป็นมีธรรมเนี่ยต้องพัฒนากันไปเรื่อยแล้วก็ตรวจสอบอยู่เรื่อยทีนี้ของท่านเหล่านี้ท่านก็ไม่ได้มีเหมือนกันท่านก็พัฒนาจะมีมีแล้วท่านก็ได้เป็นเป็นพระลานเป็นพระหันท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ ที่ท่านเป็นพระอาหารหันต์โครงสร้างเหล่านี้ก็เป็นโครงสร้างมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าคำสามคำแต่นั่นเองนะฮะแต่ว่าเราไม่นำมาสู่การบริหารการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลกลายเป็นบางทีก็กลายเป็นคนโง่ขยันคือไม่เหมาะที่จะอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ใช่ว่าไม่เหมาะทุกแห่ง เพียงแต่ว่าบางจุดเราอยู่ไม่ได้จนสมมติว่าคนอยู่ในศีลในธรรมสูงสูงนีมากมากๆลยบริหารบ้านเมืองไม่ได้หรอกพระกลัวบาปบริหารบ้านเมืองต้องทำบาปหรือไม่มีทางที่เราจะหลีกเลี่ยงบาปได้อย่างสิ้นเชิง อย่างราชการที่สี่มันบวชมาั้งยี่สิบเจ็ดพรรษานะฮะแต่พอมาเป็นกษัตริย์เข้ามามันบางครั้งเนี่ยมันต้องลงพระปรมาพิไทยสั่งประหารสารตัดสินมาแล้วนะฮะแต่ต้องลงพระปรมาพิไทยมันก็มีวิธีการก็แท่า น, นให้ประหาร เวลานั้ น, นสถานที่นั้นเวลานั้นหนึ่งนาทีกี่วินาทีาทอะไรแต่ไหท่านจะใส่เข้าไปแล้วมันไม่ตรงห ร, ไ ร, งงระไม่ตรงตามที่ท่านสั่งพอไม่ตรงตามที่ท่านสั่งมันก็กลายเป็นว่าเขาไม่ได้ทําตามที่ท่านสั่งเนี่ยก็ทําคนละนาทีกันคนละสถานที่กันคนละวิธีการกันก็นกทําให้สบายพระทยอ่ะคือทาให้สบายพระไทยัยแต น, นั้นเอง ก็รู้สึกว่าเราไม่ได้สั่งประหารใครดังนั้นคุณสมบัติเหล่านี้จึงโดยเสด็จรอญขุนบาทพระพุทธเจ้ามาแล้วก็บอกว่าอริบคือความสาเร็จ อย่านี้บางบางชีเนี่ยฉันจะเนี่ยมีเครื่องบินมีรถยนต์มีเรือดำน้ำมีอาวุธมีอะไรอะไรต่างๆผิดพันธุ์ใหม่ๆต่างๆที่เกิดขึ้นเนที่จริงมันก็ริ์แต่นันเนี่ยความสําเร็จในเชิงวิชาการความสําเร็จมาจากวิจาการริ์จึงแปลว่าความสําเร็จเท่านั้นเองหมายความว่าในสมัย พุตธการมันก็มีฤทธิ์ประมาณสินะบฤทธิ์นะฮวิชามยิที่ฤทธิ์ความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากวิชาการความสําเร็จที่เกิดขึ้นด้วยกรรมความสําเร็จที่เกิดขึ้นด้วยบุญสรุปว่าพระเหล่านี้ก็ความสําเร็จโดยบารมีของท่านนะบําเพ็ญเพียรมาจนถึงจุดหนึ่งมันเป็นผลพลอยได้จากญาณ น, นะนะ หมายความว่าถ้าบรรลุญาณท่านก็เป็นน่คล้ายๆกับพระอนาคามีเนี่ยท่านจะเจริญสมถะมาหรือไม่ก็ตามท่านบรรุชานมาก่อนหรือไม่ก็ตามแต่พอท่านบรรลุเป็นพระอนาคามีนิชานมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติของท่านเพราะว่า ม, มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีอะก็มันเป็นกระบวนการอย่างนั้น แล้วถ้าเรามองอะไรให้เป็นกระบวนการเราก็จะเห็นว่าสำคัญอยู่ที่จุดเริ่มต้นทำยังไงว่าเริ่มต้นในมันถูกทางแต่เริ่มต้นถูกทางแล้วไม่เสียไปซ้ายไปขวาอะไรมากเกินไปก็จะไปได้ได้ถูกทางคนนิธิชายมากเนี่ย เราจะเห็นว่ามันฤทธิ์ที่ทำด้วยตัวคือร่างกายเนี่ยไปด้วยกายเลยไปเป็นฤทธิ์แบบเพอเหินเดิอนอากาศไปเนี่ยหรือเลื่อนลอยไปทางนผาอากาศแต่หมายความว่าถ้าไม่ประสงค์จะแสดงอนุภาพเพื่อกำราบพวกมิจฉาทิจิไออิทธิพิธเนี่ยการแสดงฤทธิ์เนี่ยก็ไปเร็วมาเร็ว แต่ถ้าต้องการจะสแสดงพุท ธ, ธานุภาพเพื่อกำราบฤกษ์กำราบความกระด้างความถือดีของคนมันก็เลื่อนลอยอยู่กลางอากาศท่านบอกว่าเหมือนกับฝูงหง์ที่บินมาเป็นแถวเป็นความสวยงามคนก็ตื่นเต้นตะลึงแล้วก็ดูว่าท่านเหาะไปทางไหนก็จะวิ่งตามไปใจเลื่อมใสนะฮะอยากเห็นก่อน เสร็จแล้วก็อยากฟังทีนี้การเห็นเนี่ยมันเกิดศรัทธาแล้วพอฟังมายิ่งเกิดศรัทธาขึ้นก็ได้บรรลุผลเป็นการอ น, นุเคราะห์ต่อโลกไม่ใช่อ้อวดนะฮะเป็นการอนุเคราะห์ต่อโลกเพราะว่าคนบางคนนี่มันต้องใช้ริดกำลับริดดังั้นมาเอามาอยู่กระดา้างแข็งกล้าวต้องใช้ริดเป็นตัวกำรับ ทีนี้แนวหนึ่งก็คือแนวมโนโมยิทธิอย่างที่พระนรุษเล่าพระท่านตึกนึกถึงเรื่องหมาปุยสาลักษณาวิตกอยู่กำลังดูสัตว์ที่จุติอุบัติแล้วก็ดูไม่ทันที่ไปจักสุบริกา ร, รมเพื่อทิพจักสุกว่าจะติดต่อผู้จา่าสนทนากากเทวดาได้นานๆ น, น, นี่ก็ใช้เวลาทานออกไม่ได้กุจา ก, ก็ อันตรธานไปจากที่ประทับก็ไปสอนให้แล้วก็อันตรธานกลับก็ เ, เรียกว่าตัดเถวันอันตรายิอันตรธานไปจากที่นั่นเป็นการรับรู้กันในหมู่พระอริยาสาวกทั้งหลายเพราะว่าพอหลังจากนั้นท่านเองก็ทำได้นะฮะพอท่านเองทได้ก็กลายเป็นเรื่องธรรมดามันอยู่ในแวดวงของเขา อยู่ในแวดวงของพระรยะทั้งในการจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายย่อมเห็นเทวดาได้ตามความประสงค์นี้คือคุณสมบัติของพระอนุรุษที่ดึกถึงมหาปริศาลักษณะเนี่ยแต่ว่าแทนที่ท่านจะบอกว่าที่จริงมันก็ทั่วไปเพียงแต่ว่าท่านชำนาญกว่าภิกษุรูปอื่นท่าน้นเอง ดูจติการอุบัติทันเลยดูทันเลยจุติปั๊บถือไปสนที่ปุ๊จจติปั๊บต่อท่านดูทันแต่ว่าทันไม่ใช่ทันแบบพระพุทธเจ้านะทันระดับสาวกบ ร, รมิยานเนี่ยปทันแล้วก็ติดต่อกาเทวดาทั้งหลายได้เห็นเทวดาติดต่อกาเทวดาได้ ก็ท่านก็บริกรรมเพื่อจะทิพยสุนะฮะบริกรรมเพื่อทิพยสุกิตาทิพย์เนี่ยในสุดก็เห็นเทวดาได้แต่ว่าเราทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้มองไปอยู่ในจุดตรงนั้นเพราะนั้นมันเป็นผลไปแล้วแต่เราก็มองในเชิงที่เป็นเทวตานุสติกแล้วก็มองในแง่ของการจุติการอุบัติ ปัญหาว่าจุติคือตายด้วยบุญด้วยบาปอะไรก็จะอุบัติด้วยบุญด้วยบาปอย่างนั้นทำอย่างไรจะจุติด้วยกุศลล่ะทีนี้มันไปอยู่ในกรอบที่เราสามารถที่จะฝึกปลื้มได้ปะกอบจะดับจิตนี้ทำอย่างไรจิตใจจะผ่องใสก็เรียกว่าอามมุนโหลังกโรติคือไม่หลงทำกาลกิริยาตาย ไม่หลงทำการละกิริยาตายก็าหมายความว่าใจก็ต้องมีบุญมีบุญมีกุศลจิตใจก็ผ่องใสยอยู่ในขณ ะ, ะนั้นเพราะถ้าไม่มีกรรหนักไม่มีกรรมรองไม่มีกรรมพอประมาณไอ้กรรมที่เป็นอาสันกรรมกรรมเมื่อจวนจะดับเนี่ยมันมีอิทธิพลมากหักมุ่มทีเดียวคนทำบาปในปัจจุบันอาจจะ เคิดถึงกุศลขึ้นมากุศลก็ปรุงจิตในขนาดนั้นก็นำไปสู่พบี่ประณีตหรือว่าทำบาปไปเยอะหรือว่าทำบุญไม่เยอะแต่อากุศลมาหาักมุมก็ไปตกที่อกุศลก่อนมีตัวอย่างเรื่องราวบุคคลเรานันอยู่เยอะก็ยังมองมองอยู่เพพยายามนึกว่าจะเรียบเรียงเรื่องพระ องค์กุลิมานไม่ใช่เปองคุลิมานพระโมคคัลลานะเพราะว่าเรื่องภาษาดิบุตรนั้นคนเรียบเรียงกันมากแล้วก็นึกจะเรียบเรียงเรื่องพระโมคคัลลานะแต่พอประมวลเอกสารศึกษาเอกสารต่างๆโอ้เรื่องมันยาวเรื่องมันยาวขนาดมันใหญ่ทําไปทํามาเราก็เจอปัญหาที่ค่าพิมพ์อย น, นี้มันก็แพงนะ หนังสือเจ็ดสิบหน้านี่เล่ลงแปดเก้าบาทแล้วเก้าบาทสิบบาทแล้วเกรียกบางทีมันก็ก็ยุ่งยากตรนี้ยุ่งยากในการทํางานเราก็อยากจะทํางานแต่เราก็ถึงจุดหนึ่งเราก็ตันเราก็ทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องพระโมกุลานะน่าจะให้อะไรแก่เราเยอะ เ, เรื่องเปรตเรื่องนรกสวรรค์ นะเรื่องนิพพานเรื่องธรรมปฏิบัติอะไรยเยอะๆมากนะฮะคือจะเยอะมากเลยแล้วก็แจกกระจายอยู่ในที่ต่างๆนี่ก็เยอะก็ยังนึกว่าจะจะเอาแนวนี้สักสักชุดหนึ่ง น, นะแต่ว่าเล่มก็ต้องไม่ใหญ่เกินไปเพราะว่าเป็นการทำหนังสือแจก ไม่จะทำหนังสือจำหน่ายตอนนี้ก็กำลังเผยแพร่พระสูตรที่ลูกศิษย์เขาไปทำกันมา دة. ก็ได้ก็เจ็ดร้อยสิบเจ็ดสูตรแล้วก er ็ยังแถมหลัก e. สูตรทางคำตรีทัวเอกเข้าไปก็สรุปอบประมาณสักเกือบเกือบเกือบสองพันะฮะเกือบสองพันสูตรอีกคนก็โทรศัพท์มาสอบถามบ่อย บอมารับเอาเลยถามวา่าคิดราคาอย่างไงก็บอกเขาไม่จะแจกก็ไม่มีแต่คิดราคาอคนรู้สึกก็กลัวเรื่องราคากันอยู่เนะี่ยกลัวราคากันอยู่เพราะงั้นมันก็ต้องมีคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องเสียสละช่วยคนซึ่งมีศรัทธาที่จะฟังที่จะอ่านที่จะดูแล้วก็พิมพ์แบบเผยแพร่ แต่บางก็เสียอย่างนึงอีกแหละคือเผยแพร่นี่ต่างคนต่างก็อยากรับแต่ไม่รู้เขาจะอ่านหรือไม่ก็สรุปว่าเป็นเรื่องหน้าที่ของเราเราก็ทาไปตานองไกลรายการวิทยุเนี่ยเราก็พูดไปตามเวลาตามวันที่เขากำหนดให้แต่เปิดไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ใครฟังหรือไม่ฟัง